ดีชั่วอย่างไรผลที่ให้เราได้รับนั้นมีผลดีหรือผลชั่วอย่างไงเราจึงออกมาเผยแพร่และประกาศธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นการเผยแพร่ธรรมะการประกาศธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า มีมากแต่ดูสาวพูดแล้วการกระทาบางคนก็ได้รับผลดีบางคนก็ได้รับผลไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ที่ผมหรืออาตมาจะมาพูด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 จะพูดว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ก่อนนั้นไม่เข้าใจเมื่อก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้มันมีวิธีทำให้เกิดปัญญาก่อนดังนั้นคนจะล่วงทุกไปได้กับข้าะปัญญาไม่ใช่จะเสื้อไปทันทีไม่ใช่ เมื่อพูดถึงวิธีทำให้เกิดปัญญานั้นก็เป็นวิธีทำจังหวะแต่ไม่ได้เรียนแต่เรียนการกระทำมันต้องมีการศึกษาให้มีความรู้สึกตัวมีเอกคุณค่าของความรู้สึกตัวนี่หาอะไรมาประมาณไม่ได้และมันเลยเป็นตรงเอากับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ว่า ให้มีสติกำหนดรู้ในอิเดียบทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติรู้ทันว่าอย่างนั้นเมื่อมาทำอย่างนี้เลยมันเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งทางจิตใจเข้าใจทราบซึ้งของเดิมแท้ หรือธรรมชาติแท้ๆท้พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้คนละกมูดทำไมจึงละไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักสรนเสริงใงคำพูดนั่นเองแล้วเราก็เลยไปประกาศไปเผยแพร่ผลมันจึงได้น้อยขอให้ทุกคนทดลองดูว่าทำยังไงจึงจะเกิดปัญญา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 เราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจเมื่อเกิดปัญญาแล้วนี่ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นผีมองเห็นเทวดาได้เมื่อเกิดปัญญาดังนั้นคนจะลวงพุกปรเด็เพาะปัญญาลวงพุกไปรเด็เพาะว่าไม่สงสัยไม่กังวลใจนี่เองทําลงไปแล้วมันเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะสัญญามันรู้เอง สัญญามันทำหน้าที่ของมันสัญญาแปลความหมายรู้จำได้เป็นอย่างไรรู้ศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านพูทธุลใครรู้เรื่องอะไรคนนำเรื่องนั้นมาสอนเท่านั้นเองพุทธศาสนานพุทธศาสนาคือมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหรือรู้ธรรมศาสตร์รู้ของเดิมเตือนแปลงไปจากธรรมศาตร์ไม่ได้ เปนแตจากของเดิมไม่นดน้ถ้ารู้ไม่เป็นธรรมศาสตร์รู้ไม่เป็นของเดิมกบหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัญหาเรื่องทุกข์เรียกว่าอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยทุกคนพูดได้ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญ นี่โลดทำให้แจ้งเราพูดกันได้เผยแผ่คำพูดสอนคำพูดประกาศคำพูดแต่ไม่ได้เป็นคำพูดของเรานะเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ให้มันได้ไปให้พ้นมันจึงสงบได้เมื่อไปไม่พ้นก็สงบไม่ได้สเสมือนว่าเราอยู่ในป่าลึก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 นั้นจีว่าเป็นสมาธิคือความตั้งใจตั้งใจไปให้พน้นถ้าไปไม่พน้เเรรไปไปพนเขาเรียกว่ะโลกียะธรรมไปไม่พ้นเขาเลยโลกียะธรรมเป็นโลกีวิสัยของคนผู้ที่ยังไม่รู้คนใดไปพ้นเขาเรียกโลกุตตะธรรมคนใดไปพ้นเขาเรียกโลกุตตะธรรมเขาว่านิพพานจึงไม่มีอันตรายไม่เป็นพิษไม่เป็น แต่คนสมัยนี้ถ้าคนใดเข้าวัดไปศึกษาธรรมะหาว่าคนนั้นคือฆ่าอะไรเป็นคน อ, อกหักเป็นคนไม่มีแนวคนคิดเป็นคนไม่สมหวังก็เลยเข้าวัดคิดไปอย่างนั้นก็จริงแต่มันจริงโดยที่ว่าไม่ใส่เหตุผลถ้าเราใส่เหตุผลจริ ง, รงๆแล้วพระพุทธเจ้าเป็นลูกมหากษัตริย์ มีเรือนอยู่สามฤดูฤดู้ดอนฤดูหนาวฤดูฝนและก็มีบริวารคนใ้เยอะแยะไม่อึนแต่พระองค์ก็อย่าเป็นทุกข์ถ้าองค์ออกไปศึกษาและปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีคนจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาเนี่ยท่านสอนเอาไว้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 คำว่าเดินทางแต่กลางไม่ต้องเอียงไปข้างซ้ายไม่ต้องเอียงไปข้างขวาเราต้องอยู่ตรงกลางคำว่าอยู่ตรงกลางในทีนี้คือว่ายอนหนักตึงหนักยอนหนักก็ไม่ดีไม่ดังตึงหนักก็ขาดทนนถ้าพูดอย่างนี้มันมีปัญหาถ้าเราเอียงไปทางโทศักมันก็ไม่ดีเอียงไปทางโลภะมันก็ไม่ดีทำลายโมหะให้ได้ทันวาอย่างนะ้จิ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 แต่มันดีของเขามันไม่ดีของเราเมื่อเรารู้สึกตัวการเคลื่อนการใหมจิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นก็รู้รู้เท่ารู้ทันจึงการปฏิบัติธรรมถ้าพระเจ้าได้ตักสะรู้พอการทําทางคิตทางใจจิตใจนั่นเป็นของเดิมมันเป็นของเก่าจะว่เป็นจิตเดิมเป็นของเขามีทุกคนฝรั่งก็มีคนไทยก็มี ฝรังก็กดเป็นคนไทยก็กดเป็นจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปให้คนเรื่องนี้ใช่วหมทวนกระแสของนะ้ําคือทวนกระแสความความคิดเห็นขวามคิดแต่ไม่ทำไปกับความคิดไม่ทำไปกับอารมณ์ทำไปด้วยสติทําไปด้วยปัญญาทําไปด้วยญาณปัญญาท่านว่าอย่างนั้นอย่าทําไปตามความคิด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 มีการเอาลัดเอาเปรียบกันนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอันนั้นแหละคือข่มทุกมันจึงตรงกันข้ามดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนไม่มีการอิจฉาลิสยาเบียดเบียนกันเราเคยได้ยินไหมในประเทศอินเดียมีวันณนะสี่วันณนะท่านาพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้มาแล้วท่านก็เป็นลุกมหากษัตริย์ท่านไม่ให้ถือคือวันณะสูตร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 แล้วคุณมัวแล้วที่จะพูดพูดภาษาไง่ายาอย่างที่บ้านเรีอย่เป็นทุกข์คำามาทุกข์ความเดียวหนูกินคนกลัวทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์เพราะไม่มีเพื่อนทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะเกลียดค้านทุกข์เพราะไม่รู้นั่แหละถูกมากถ้าเรารู้แล้วความทุกข์นั้นไม่มีเพราะเราไม่ให้มันทุกข์เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ที่ตรง พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนหมดทุกคนกําลังมีทุกสอนให้คนหมดทุกคนกําลังมีคนผิดทําไม่ถูกต้องสอนให้เขาทําถูกต้องสอนคนโง่อยู่ให้เกิดขึ้นมีคนสลาดขึ้นมาคนโง่เท่านั้นจึงทําผิดคนโง่เท่านั้นจึงทําไม่ถูกคนโง่เท่านั้นจึงมีทุกท่านสอนอย่างนั้น แต่เมื่อพูดถึงขนงโง่อยางนี้พวกเราจะไปเสียอกเสียใจพบพูดความจริงให้ฟังการเผยแร่ธรรมะการประกาศธรรมะเผยแร่ของจริงประกาศของจริงตัวเองได้รับผลแล้วจึงเอาไปเผยแร่จึงเอาไปประกาศให้คนอื่นได้รับผลพระพุทธเจ้าท่าสอนอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังไม่ได้รับผลเอาไปเผยแร่เอาไปประกาศบางทีอาจจะทูกกวได้ ผิดก็ได้ทันว่าอย่างนั้นที่ตัวอาตมาหรือตัวผมพูดเนี่เอาเถอะทำความรู้สึกตัวเนี่ยแต่เนียมีจังหวะวิธีทำการลุกการนั่งการเดินการนอนให้มีสติมีจังหวะทำให้ถูกจังหวะของมันถ้าทำอย่างนี้เอาอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปี อย่างเร็วที่สุดให้เวลาหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสง์ไม่ต้องพูดเลยทุกจะหมดไปไม่มาก่อน้อยแล้วจะได้รับความสงบจริงๆความสงบนั้นสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีไม่ใช่ความสงบแบบไม่รู้สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญามีปัญญาแล้วได้ความสงบแบบเห็นแจ้งแบบดูจริง เหมือนกับเราก็โดดข้ามหองพ้นไปแล้วอยู่ฝั่งโน้นเราก็เลี้ยวลงมาข้างนี้ข้างนั้นมันเป็นอันตรายไายกาดมีเสือมีผีมีอะไรกี้ประถับมีสัตว์ร้ายอยู่ที่นั้นเราโดดออกมาข้างเนืออันตรายไายกาดเล่านั้นจะตามเราไม่ได้นั่นแหละคือนิพพานพ้นไปจากโลกียะธรรมคนใดยังไม่ถึงนิพพานยังไม่รู้นิพพาน เขาเรียกว่าโลกินยธรรมเป็นวิสัยของโลกเป็นวิสัยของคนไม่รู้